ชิ้นชินไม่มีอะไรชิ้นเรื่องเรืนะ <c oughs> อ่อฟังธรรมกันเอกเราเรามีการกระทํามเรามีงาน ของเราคือกรรมาฐานที่ตั้งของการกระทำเจ้านาเขาํานาเขาได้ข้าวบางคนก็ขนข้าขึ้นยุ่งคนฉางได้ข้าเป็นรถร ด, ดแต่บางทีก็ไม่ได้แลงบ้างท่วมบ้าง เราเจริญสติเราสร้างสติแล้วก็มีสติไม่ใช่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เรามันหลงลูกไม่มีอะไรได้แต่งจะทำเป็นทำให้มันเป็นเวลามันหลงลูกให้มันเป็น ไม่ใช่ผิดไม่ใช่ถูกไม่ใช่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เรอหว่างมันหลงระหว่างตัวรู้นะราให้มันเป็นทำเป็นไม่ใช่ได้ไม่ใช่ไม่ได้นี่คือกรรมฐานเมื่อกี้เราสวดให้รู้ถึงนิพพานเทินให้มีชีวิตประจำวันมีนิพพาน อย่ามันไกลตัวเราเกินไปไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรวางใจหมายตัวไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรหยุดได้เย็นได้อะไรทำให้วิ่งไปข้างหน้าต้องหยุดเพื่อความผิด มันวิ่งไปความทุกข์มันก็วิ่งไปความโกรธก็วิ่งไปความหลงก็วิ่งไปหยุดซะมันหลงก็รู้หยุดแล้วมันคิดขึ้นมามันทุกข์มันโศกรูก้ขึ้นมาหยุดแล้วไม่ทำ <exploration> ไม่ทำตามความคิดไม่ทำตามความหลงไม่ทำตามความทุกข์ไม่ทำตามความโกรธ ไม่ทำตามความรักความชังหยุดอะไรก็ตามถ้าหยุดไม่เป็นก็ไม่มันก็ใช่ไม่ได้เรสร้างรถสร้างเรือเราต้องวิ่งแต่รถก็ไหนแต่วิ่งไม่หยุดมันก็ใช่ไม่ได้อันตรายชีวิตของเราก็ไม่หยุด ถ้ามันสุขก็หยุดถ้ามันทุกข์ก็หยุดมันลักมันชังก็หยุดไม่เป็นละลายมันสุขก็ไม่เป็นไม่เป็นผู้สุขเห็นมันสุขเราหยุดแล้วมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันทุกข์มันหลงไม่เป็นผู้หลงเห็นมันหลงมันไม่ยากมันง่ายๆของอยู่ด้วยกันหวนพริก มือฝ่ามือเราหงายมือข้อมือนี่เรียกว่ามันอยู่ด้วยกันการหงายมือข้อมือยังมีวัตถุที่อมองเห็นแต่ว่าการปฏิบัติธรรมไม่มีวัตถุอะไรมันหลงก็ไม่ใช่วัตถุ ความรู้สึกตัวก็มาใช่วัตถุไม่มีไม่มีเหน็ดเหนื่อยเมื่อไรไม่มียากไม่มีง่ายก็มันหลงรู้ไม่ใช่วัตถุสิ่งของเป็นนมามธรรมทั้งสองอนันทําให้มันเป็นอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมหายใจล่อง ถ้าทำถูกมันอาจะหัวเราะความหลงหัวเราะความทุกหัวเราะความสุขถ้าทำไม่ถูกก็สุขก็ไม่ค่าทุกข์ก็ไม่ค่าหลงก็ไม่ค่ารู้ก็ไม่ค่าผิดก็ไม่ค่าถูกก็ไม่ค่าได้ก็ไม่ค่าไม่ได้ก็ไม่ค่าเอาคนค่าคือได้เอาคนค่าไม่ได้เท่าเท่ากัน ถ้าเห็นไม่ไม่ได้ไม่ไม่เป็นอะไรมนะันก็ไม่มีค่ามันก็เหลือศูนย์ชีวิตที่มันมีศูนย์มันจึงใช้ได้เหมือนต่อช่างเหมือนอะไรที่ตั้งจากเลขศูนย์มันจึงใช้ได้เราไปเตือนว่ามันน้าเนาะมันคอมพิวเตอร์น้า น้ำมันก็มีตัวเลขอยู่ไม่่ไม่มีศูนย์แล้วก็ไม่มีความเป็นธรรมอาจจะจินเงินเรามากก็ได้ล ง, งต้นจากศูนย์ถ้ามันทุกข์เอต์มันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ตั้งแล้วตั้งต้นแล้ว ถ้ามันสุกเนมาสุกไม่เป็นผู้สุขตัวตั้งต้นได้แล้วถูกต้องแล้วถ้าสุขเป็นสุขทุกเป็นทุกหลงเป็นหลงรูปเป็นรูปได้เป็นได้เสียเป็นเสียผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกไม่มีศูนย์แล้วก็ผิดแจกออกไปจะมันเหลือศูนย์หรือว่า เนี่ว่าตีลักษณะตีละกณะประเดนาอย่างที่เรากาสาที่ใาญ่พระสูตรสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งขึ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรานอนมันเหลือศูนย์ สังขารมันไม่มีศูนย์มันตั้งต้นบุญญาพิสังขารบวกเข้ามาอ้าปุญญาพิสังขารลบออกไปมีล บ, ม, ลบมีบวกเรียกว่าอารมณ์พระอาริเจ้ามันมีคําว่าบวกว่าลบมันผิดก็เห็นมันถูกก็เห็นมันสุขก็เห็นมันทุกข์ก็เห็นถ้าปุโรชนมันสุขก็ พอใจแล้วมันทุกข์ก็ไม่พอใจก็พอใจแล้วก็ไม่พอใจมันเป็นอารมณ์บวกลบมันได้มันเสียมันผิดมันถูกเราต้องต้นๆอย่างนี้ทําไม่เป็นใจดีๆเอาไว้อย่าเพิ่งเอาอะไรยีดของเรามันเคยคิ้นกับการได้การเสียการผิดการถูก หล้วงตาเคยไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกยกมือสร้างจังหวะทั้งวันไม่เห็นได้อะไรเลยแล้วก็เปรียบเทียบกับเราทั้งานก็าทำงานถ้าทำทั้งวันเนี่ยถ้าเลื่อยไม้ก็ได้หลายแผน่นทำอยู่เป็นเดือนก็ได้เป็นบ้านเป็นหลังนอนนี่แม่ยกมือสร้างจังหวะไม่เห็นมีอะไร บังคนก็ทำไม่ค่อยเป็นถ้ามันได้ถ้ามันไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมไม่เป็นธรรมเราจรึงพยายามใจเย็นๆรอได้คอยได้ผิดช้า ง, ม, าง ม, มันถูกข้างมันมมนสุขชางมันมันทุกข้างมัน ถ้าเรามาดูดีๆถ้ามีสติมันก็มีสติมันไม่ใช่ได้มันมีถ้ามันหลงมันก็มีหลงเวลามันหลงมีสติก็มีสติตรงเนี้ยมันทําให้เปลี่ยนแปลงความหลงกลายเป็นความรู้สึกตัวแต่ก่อนความหลงกลายเป็นความหลงความทุกข์กลายเป็นความทุกข์เมื่อความทุกข์กลายเป็นความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวก็าม่มั น, มนจเจริญ ม, มากขึ้นเมื่อมีความรู้สึกตัวเกี่ยวกับสุขเกี่ยวกับทุกข์มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวมันเป็นศีลศีลกรรมจัดจิเลตสมาธิกรรมจัดจิเลตมีปัญญากำรรจัดจิเลตมันเป็นองมากคิดชอบผู้ชอบทำชอบตั้งใจชอบมันก็ไปส่มากส่ผล แล้วก็เริ่มต้นจากความรู้สึกตัวนี้ไปก่อนหาใจร้อนถ้ามันหลงรู้สึกตัวใช่ได้แล้วถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วถ้ามันหลงไม่พอใจถ้ามันรู้พอใจนี่เป็นเป็นมิเชลทิฏฐิไปเอาผิดไปเอาถูก ถ้าสมาีิเห็นชอบเห็นผิดมันผิดเห็นมันมันถูกเห็นมันไม่ไม่มีไม่ไม่เปิดเพื่อนไม่เปิดเพื่อนถ้ามันสุขเห็นมันมันทุกข์เห็นมันไม่เปิดเพื่อนการที่ไม่เปิดเพื่อนกับสุข ก, กับทุกข์ก็เรียกว่าพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะอัรถะคือลึกซึ้งก็ยังชนะก็เป็นเป็นที่บอกได้นี่คือหลงนี่คือลูกเอามือไปชี้ไม่ใช่ถือตัวหลงอยู่โน่นตัวลูกอยู่โน่นตัวมือนี่เป็นอยู่เป็นผู้ชี้ได้เห็นเป็นผู้ดู ไม่ใช่เป็นผู้อยู่เป็นผู้เห็นไม่ใช่เป็นผู้เป็นนันเลยไม่เปิดเปืเป่อนหรืว่าประพืชปมวิจารไม่ต้องมีคำถามเรียกพรญญาญชนะอัฏฐะคือลึกซึ้งเป็นของปรจัจตังวยัญชนะก็บอกได้ สร่งแรกก็ปฏิบัติเนี่ยจึงมีปริยัติเขียนเป็นหนังสือถ้าเป็นสติก็ไม่เขียนไม่ออกแต่มาเขียนเป็นพยานชนะสติคือความลึกได้ตธรรจะคือความรู้ตัวเมื่อมีความลึกได้มีความรู้ตัว อัตะลึกซึ้งเหมือนพ่อเหมือนแม่ผู้ใดมีสติผู้ใดมีสัมมญญาชฌะเหมือนอยู่กับพ่อกับแม่ยิ่งยิ่งกว่าพ่อกับแม่อีกเมื<ๆ>่อมีอย่างนี้ก็เรียกว่าอุปการะคุณเลยเป็นพยัญชนะออกมาเป็นตัวปริยัตเป็นหนังสือออกมา แต่นั่นมันเป็นตัวหนังสือยังไม่ใช่สติของเราเป็นคำตอบเป็นคำตอบเป็นปริยัตเป็นคำพูดเป็นสมมุติหวัญญตัติตละมัดสัจจะไม่มีคำตอบไม่มีคำพูดเป็นความปิดปากพูดไม่ออกอย่างนี้เรียกว่า ปรามัดเตมหลงเป็นสมมติควมรู้สึกตัวเป็นปรามาดเติมสุขเป็นสมมุติควมรู้สึกตัวเป็นปรามาดสุขก็ต่างกันสมมุติเอาทุกข์ก็ต่างกันสมมุติเอาปรามัดยังไม่มีอะไรสมมุติที่ไปสมมุติบัญญัติได้นมีอยู่แล้ว ถ้ามันสุกรู้สึกตัวไม่เป็นผู้สุคนี่เรียกว่าปรมาัจาบอกกันมาได้สัมผัสตัวเองถ้ามันสุกล้วก็หัวเราะเห็นกันได้มันทุกข์ก็ลองให้เห็นกันได้บอกเลยว่าคนลองให้เรกว่าคนไม่ทุกข์คนหัวเราะเรียกว่าคนไม่สุกมันสุกคนทุกข์เป็นสังขาร มันไม่ใช่ตัวใช่ตนการนหัวเราะก่นร้องไห้ต้าพูดถึงสุขภาพของจิตใจไม่ความไม่ความหมดพลังงานเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันกานร้องไห้ก็เหนื่อยคนหัวเราะก็เหนื่อยใจจะขาดจนร้องไห้ก็ใจจะขาดหายใจไม่ทัน มันเป็นชิ้นเปลืองพลังงานแล้วก็เป็นโลกเป็นโลกของโลกมาเห็นชาให้มันจืดชาตั้งต้นจากงันหลงรู้นะตั้งต้นจากสภาพที่รู้ไปนี่ปัจจัยมีวัตถุอุปกรณ์ทำให้เกิดความรู้ขึ้นมา การให้ความรู้หรือ ว, ว่าให้ข้อมูลเหมือนกับเราให้ข้อมูลคอมเิวเตอร์มันเจ็บข้อมูลเราไว้กดคอมเิวเตอร์ดูเพื่อตีปิศกจะดูอะไรยอยากรู้เรื่องแต่ได้มีข้อมูล เล่นหลวงตานั่งเครื่องบินจากประเทศจีนมาเมืองไทยกดคอมพิวเตอร์ดูการบินของเครื่องบินถึงไหนบอกเวลาบอกความเร็วบอกความสูงบอกกอนผ่านลมกิโลเมตรละเท่าไหร่ชั่วโ ม, มงหนึ่งวิ่งได้กี่ไมล์ ถึงไหนเรานั่งอยู่เครื่องบินแต่มาก็เห็นเครื่องบินที่มันวิ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์อนี่เรานั้นเป็นวัตถุแต่สภาพสุขสภาพทุกมันไม่เหมือนอย่างนั้นนันเป็นการบันทึกของใครของมันให้เป็นหลักาสากลความทุกข์ของคนในต่างกันความสุขของคนก็ต่างกัน แ, แต่ใครสมมุติเอาบัญญัติเอา สมมติบัญญัติไม่จริงจริงแบบบัญญัติศสมจริงเท็แบบสมมติเขาก็โกหจริงจริงเขาทุกข์จริงจริงแล้วก็จริงแต่มันจริงแบบสมมติไม่จริงแบบปรมาติถ้าเรามาเห็นหลงเห็นรูปไปเห็นกายเห็นเบญญาเห็นกิเเห็นธรรมไปที่มันเป็นหลักสูตร อันไหนที่มันแจ้งออกมาทางกายแม้ออกมาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัต่ว่าอะไรที่มันแสดงออกมาเป็นสุขทุกข์ก็เป็นสัต่ว่าอะไรที่มันแสดงมาทางจิตที่มันรู้อะไรได้ก็เป็นสัต่ว่าอะไรที่มันแสดงเป็นธรรมออกมาเป็นกุศลเป็นอกุศลกุศลคือความฉลาดบางทีก็รู้ตกแหลงความรู้ อกุศลความงู้ไม่รู้เป็นความงุงงหหม้งหง่หอนอนเํามนอนเละสงสยัยนั่ก็เป็นศักว่าธรรมไม่ใช่จัตุคุตัตวตนเราเขาหลายที่มันมีเศษมีความสงบจิตใจเบิกบานแจ่มใสนั่ก็เป็นกุศลก็เห็นว่านั่นเป็นศัพว่า ไม่เชื่จัดบุคคลแต่ตัวตนเราเขาเขาก็มีหลักสูตรเท่านี้ยเฉลยไปสี่สูตรสี่ข้ออันเป็นสูตรสูตรชีวิตของเราเรต้องต้นจากตรงนี้ถ้าหลงก็หลงตรงนี้ไม่หลงก็ไม่หลงตรงนี้หน้ามารู้บ่อยๆรู้เรื่องเดียวบ่อยๆเห็นบ่อยๆมันไม่ใช่ อยู่ตรงที่เก่ามันก็เลื่อนไปเรื่อยเห็นเห็นกายเห็นเป็นรูปมันรู้อะไรได้เห็นเป็นนามธรรมนี้แต่นามกับรูปเท่านั้นไม่ต้องเรียกว่าสุขว่าทุกข์ก็เห็นรูปเป็นนามแล้วเรียกว่าอาการป็นอาการของกายเป็นอาการของใจไม่ใช่ตัวใช่ตน แต่ก่อนเราอาการมันเป็นตัวเป็นตนอาการที่เกิดกับกายเป็นตัวเป็นตนหมดเราร้ อ, อนเราหนาวเราหิวเราเจ็บเราปวดเราเห็นเป็นอาการมันเป็นอาการมันไม่มีค่าถ้ามีน้ำหนักก็เบาแล้วแต่ก่ามันน่ามีน้ำหนักก็หนักถ้าโกรธก็ร้อยเปเซ็นก็โกรธถึงกับร้องไห้ก็ น้ำหนักร้อยเปซนถ้าสุกจนต้นหัวเลาะก็น้ำหนักร0อยเปอร์ซนเป็นปุถุชนแต่ถ้าเห็นเป็นอาการกำลังจะเป็นพระถ้าโกรธก็สักเกิบห้าเปอร์เซนโกรธอีกต่ำลงมาห้าสิบเปอร์เซนโกรธอีกต่ำลงมายี่ห้าเปอร์ซนไม่มากนิดหน่อย ไม่กระดกกดะดิกถ้าไม่โกรธเลยเป็นพระอรหันได้ถ้าโกรธยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เป็นพระโสมเป็นพร ะ, ะ, เ, ปพร ะ, ะเป็นพระอาเป็นพระอน า, าคามถาิถ้าโกรธจิห้าเปอร์เซ็นตถ้าโกรธยี่ห้าเปอร์เซ็นตเป็นพระนาคามี ถ้าโกดห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นพัชกิทาคามีถ้าโกดเจ็ดห้าถ้าโกดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นเป็นพระโสฬาวันถ้าไม่ถ้าโกดร้อยเปอร์เซนเป็นปุถุชนล ะ, <c oughs> ะเป็นปุถุชนน ะ, ะปุถุชนเลยเป็นพระต่างกันตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รูปแบบ <c oughs> แต่ละมัดรูปแบบเป็นสมมตนะินะนี่มหายาณนี่เทระวาดนี่เพศเทระวาดน้องหวมแบบนี้พระสงฆ์พระมหายานก็นุกก่งกางเกงใส่เสื้อมหายานรูปแบบต่างกัน สาส่วนก็ต่างกันอามิตตโพอามิตตโพอามิตตโพขยานพระพุทธเจ้าคืออมิตตะพุทธตเททาเถิดททว่าลังสมมาสัมุทโธพะโกวะพระผู้มีภาคเจ้าเป็นพระราาอรหันต์ขยันอามิตตโพมิโตโพต่อเป็นสนนะ อิสลามอันโลโลอันลโลอันล็อกไปเย็นไปอยู่ตอนแบงอิสลามเขาจะเปิดอันล็อกอันหนึ่งห้าข้งต้องรอเพียงสวดมนต์เพียงตอนเช้าตอนเย็นแบงพากันชี้เกียที่ข้ามอยู่พร้อมทางโน้ต่างกันห้าข้าง อันนั้นมุกคนัญญ์ยภาษาก็ต่างกันรูปแบบก็ต่างกันแต่ประม้ตัจจะอันเดียวกันถ้าภาวะธรรมเช่นความรู้สึกตุอันเดียวกันภาษาอมิตโทโพคนละภาษาหลังสมาสโพพโทเป็นคนละภาษาอารมณ์อาราลกคนละภาษาแต่ภาษาธรรมอันเดียวกัน เรียกว่าสภาวะธรรมคือความรู้สึกตัวผู้หญิงก็มีความรู้สึกตัวผู้ชายก็มีความรู้สึกตัวคนไทยก็มีความรู้สึกตัวคนจีนก็มีความรู้สึกตัวเด็กน้อยก็มีความรู้สึกตัวเป็นหนุ่มเป็นสาวมีความรู้สึกตัวเชาวแก่ก็คือความรู้สึกตัวน้องห่มผ้าสีใดคือความรู้สึกตัวเรียกว่าสภาวะธรรมเป็นอันเดียวเท่านั้นสามารถไป สอนอะไรไ ม, ม่ใครปไปเสียใจลองมือวางว่างครั้ารู้สึกตัวมือชี้ไหนต่แชงเมือขึ้นดูชื่ลูกไหมทุกคนก็รู้สภาวะที่รู้เนี่ยรู้ดููชสิบสี่วินาทีสิบสี่ลูกชั่วโมงหนึ่งส6 0พันหร้อยลูกมันจะเป็นยังไงนี่สภาวะธรรมตั้งต้นจากตนนัวนี้ไม่ใช่ไปเรียนพูดเรียนท่องเรียนสวดไอ้สวดได้ ไร า, ราว่าเจงไอ้จบไม่ได้ก็ถือว่าโ ง, ง่มันไม่ใช่ดางก็เล่าว่าไอาา้รักษาศีลในยายคนหนึ่งท่องศีลก็ไม่ได้นอกจากนั้นท่องศีลได้ทั้งหมดไว้สอนคนแก่นคนหนึ่งยายคนหนึ่งท่องก็งงนนงงไม่ได้ ไปหาใครบอกเค้นด้วยบอกเั้นด้วยเขาก็เบื่อมันบอกเท่าไหร่ก็ไม่จําท้องกับไม่ได้กับเขาเอาเลยลังเกียดติแล้วเขาหลังเกียดไม่หาใครกําไรจอมสินพอถึงเวลาไปเจ็บผักนายหนอง คนว่าเสินได้เจ้ า, า, า, า, า, า, าเจ้าปานาติปตาเวลาเมเนจากาปัทังสมาธิยามเจตานุกัปปัญจการฆาอทินาทานาเวลมเนจิกาปัทังสมาธิยามเจาตานุกัปปัญจา ก, การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามาให้ว่าได้เจยวเจ้าแต่ยายคนนี้ว่าไม่ได้เลยก็้เจักนหนอหนองในเบิง่ง ตัวอะรเรือไปปลามันต <laughs> <achusetts> ื่นตะหกตกใจมันกระโดดหน้าวมันตกลงใส่เรือทํากันหรอฮะฮฮะขี่น่อยปลาช่อนตัวใหญ่ตกลงใส่เรือเลยรินโคลุโคลุอยู่คนที่ว่าชินได้เอาไม่พายตีเอาไม่พายตีไปแจ้งในาเพื่อนที่ว่าชินไม่ได้โอ้ยอย่าตีอย่าตี ออกผ้าลองมือจอมลอยหน้าต่อมใครเป็นคนมีศีลสภาวธรรมสภาวธรรมเกิดจากควองไม่มีเจตนาฆ่าก่อนที่ว่าได้เจข่าพระเจ้าหมาเจตนาว่าเั็นจากการฆ่ า, าได้แต่จะอาไม่ภายตีบะแต่วันนี้ศีลอยู่ตรงไหนศีลมันอยู่เจตนาของเรา มีสติละอายจะภาวะธรรมมันไม่แตกต่างกันอันเดียวกันจะว่าได้ว่าไม่ได้ไม่เป็นไรเราเห็นรูปเห็นนามเราเห็นนาการเห็นธรรมชาติไม่ใช่ของโกรธเป็นนาการที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ใช่ความนัอนความนั้เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับรูป อาการไม่มีอาการมันก็ไม่ใช่การไม่ใช่รูปมันไม่รูปไม่ทาจีไมีขันหน้าถ้ามันไม่รู้อาการอะไรมันก็เจ็บหายที่มันมีอาการมันเป็นสัญญาณภัยของเขาเห็นเป็นรูปทำเห็นเป็นนามทำแตกฉานไปเลยไปแนยดูยไปเลยไปแนยได้ข้อมูลแตกไปเลยเหมือนเราเรียนเราเรียนจบบางตกักฉานใน วิชาที่เราเรียนมาแต่ฉันในการในใจเนี่ยมันเป็นนิพพานจากจะว่าไปเรื่อยๆดูบทมน้อมทำทำรีทชั่วเชื่อมั่นในการกระทำละบาลแต่ก่อนเชื่อพิธีรีตองบันนี้ไม่เชื่อการกระทารูปทุกน้อมทุก ทุกบังหย่องกําหนดรู้ทุกหวงอย่างบันเทาทุกบังอย่างละเราไว้ไม่ได้ทุกปังอย่างละไม่ได้เช่นมันหนาวก็ห่มผ้าอั น, นี้ก็จินข้าวอันนี้บรรเทาทุกบังหย่องกําหนดรู้ด้วยการรูล้ละก็ไม่ได้มันละไม่ได้เช่นทุกขังอันนี้จังรัตตาหายใจเข้าเป็นทุก ถ้าไปหายใจน่ะหายใจ อ, อ ก, กเป็นทุกหายใจเข้ามาหายใจออกเป็นทุกไม่พิภตาก็เป็นทุกไม่ขับไม้ทายก็เป็นทุก น, นี่ทุกคุกอนัตตาทุ ก, ท, กที่ไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้อันนี้ทุกกําหนดรู้เฉยๆเล้อไม่ได้จะทําทไรก็ไม่ได้ต่าง่ยวจึงเข้ามาใช้จินเพื่อแย่ทุก มันเป็นการบันเทาไม่ใช่แก่มุ้งนี้มันยังกิหิวอีกอยู่นี่คือการบรรเทาทุกบางอย่างละความโกรธละบรรเทาไม่ได้ถ้ากูได้ด่ามันกูจะกิหายโกรธถ้ากูได้โกรธกูต้องด่ามันให้ได้ด่ามันแล้วจึงจะหายโกรธไม่ใช่ละทันทีทันที เอาไว้ไม่ได้ให้ทำอย่างนี้เลยว่าปฏิบัติตามธรรมต่อเห็นอย่งนี้ก็แตกแานไปแตกแานไปถ้าเป็นทุกข์เน่ทุกข์บางอย่างไม่ทำอะไรเลยมันหลุดไปแล้วทุกข์บางอย่างต้องเจียวข้องว่าทุกข์บางอย่างไม่หลุดเลย ต, ต่อบอกว่า แห้งไปเลยเหมือนบะเขียบหลอดรู้จักต ะ, ะเขียบหลอดไหน้อยหน่าน้อยหน่าที่มันแห้งติดต้นไงเห็นไหมทุกบางอย่างเป็นอย่างนั้นเหมือนน้อยหน่าแห้งไปเลยอจให้หลุดให้หลนออกไปแต่มานแห้งไม่มีค่าหมดเชื่อเหมือนข้าว ที่ไม่เจ็บวิธีเจ็บข้าวพันุข้าวอย่างดีเหมือนกรมกลางรเกษตรเขามีวิธีเจ็บข้าวทําพันแต่บางข้าวชาวนาเนี่ยเจ็บไว้ในยุ่งในชา้ามสามปีหมดเชื่อเลยเอาไปเพาะไม่เกิดแล้วนั่อย่างดีก็บางทีก็ปีเดียวสองปีต้องมันหมดเชื่อตาหมดอันนี้เป็น พืชผันบางประเภทแต่มีวิธีเก็บไปกระสวงการกรเกษตรทุกบางอย่างหลอดไปเลยหลอดไปเลยเช่นอะไรล่ะจะทำไมมันก็ทุกมาได้จะทำไมมไันก็โกรธไปได้มันก็เห็นอยู่ แต่มันจะโกรธไม่ได้ถ้าโกรธก็ ข, ข่มขืนตัวเองถ้าจะทุก ข, ข์ก็ ข, ข่มขืนตัวเองไม่นเป็นบาปการข่มขืนตัวเองมันเป็นบาปมันจะบังคับไปแต่คนนี้น่ารักนะคนนี้น่าเกลียดนะมันไม่เอาทำไงมันก็ออกไม่ได้โยอมอย่าให้เอาโถอไม่ทำเด็ดขาดอะไรที่ ถ้าไม่เกิดทุกข์เกิดโทษตัวตัวเองและคนอื่นไม่ทำเด็ดขาดเนื้อมันจะมีอะไรล่ะถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีเย็นไปทั่วโลกไม่มีใครเบี่ยงเบียนตัวเองไม่มีใครเบี่ยงเบนคนอื่นนี่คือปฏิบัติธรรมากการเจริญสติเท่านี้เบื้องต้นท้ามกลางก็มีสติที่สุดก็มีสติจนที่สุดตัว เรียกว่าอะไรมีสติแล้วละอยู่มีสติแล้วละอยู่ที่สุดมีสติแล้วเราอยู่ภาษาธรรมะเวทยิทธิในรูปเหนือก้อนเกิดเจ็บต่อมีสติแล้วลวะรรวยลยอยูวว่วางลงวางอย่างงดงามให้เจ็บตรงนี้ วางลงเจ็บตรงนี้รู้ให้หมดตรงนี้รู้เราไม่เป็นผู้เจ็บเห็นมันเจ็บรู้ตรงนี้วางลงเรียกว่ามีสติแล้วแหละอยู่มีสติแล้วแหละอยู่มีสติแล้วแหละอยู่ไม่มีอะไรอีกแล้วสติสมัชัญะญไม่เป็นมากเป็นนล สตินีแหลจะเป็นองค์ฌานสตินี่แหลจะเป็นองค์มรรคองค์ตไม่ต้องไปเรียนอะไรเหมาะแก่พวกเราที่สุดแล้วอย่าเอาความแก่ความหนุ่มมาอ้าการปฏิบัติธรรมแล้วและไม่มีใครช่วยกันได้แต่ทำเอาเองเราก็พยายามอํานวยความสะดวกให้กันและกันให้ได้อย่า อย่าเบียดเปลี่ยนกันเบ่นจากการทะเลาะวิวาทกันนี่จะคิดที่ช่วยกันไหนไม่ได้ช่วยก็คิดจะช่วยกันนั่นมีไม่จนนะไม่น่าใจจึงงานนี่เป็นงานยิ่งใหญ่ ชินอย่างต่ำทรมานอย่างสูงชีวิตของเราก็เยอะนี่ย่าไปอะไรเทียมันก็ท่ายือทยานเกินไปให้มีนิพพานชีวิตประจำวันให้มีนิพพานอยู่สัมผัสนิพพานอ ย, อยู่อยู่เย็นเยนบางว่าเดี๋ยวมันเย็นไม่รู้สึกตัวเนาะ หัดเย็นหัดจุดไป <c oughs> อย่าหอบอย่าหิวอะไรมาไกรก็มีเหมือนกันมีความรักมีความทุกข์มีความสุขเหมือนการไม่ต้องมาอ้างกันไม่ต้องมาอวดกันในความสุขความทุกข์ไม่มีใครทุกข์เท่ากหลวงตาหรอกถ้าจะพูดหรอก <c oughs> จริงจงนะขอบคุณความทุกข์ขอบคุความหลง ก็มีความทุกข์นั่นแหละมรรคปณิพานตรงนั้นเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนอนยอมหนื่อยหนาในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนอนแหละเป็นทางแห่งพระ น, นิพานธ์ดันบรรธรรมหมดจุดได้ยินไหมเป็นทุกข์แท้ปณิพันธ์เราควรจะถามพระองกัน